ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่ากรรมของนายโคคาดกุบาใหม่ที่ยังท่อง แสดงวิธีการแสดงอาบัตไม่ได้ก็ใส่ใจสักหน่อยนะแล้วก็พร้อมๆกันก็พยายามท่องคำอธิษฐานพันษาก็ไม่ยาวหรอกคำที่สานภาษาหน่อยเดียวแต่ถึงยังไงถ้าไมไ่ท่องมันก็ไม่ได้มอนกันนะถึงจะน้อยก็ไม่ได้ท่องมันก็ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราตร้องท่องสาธยายด้วยวิธีการแสดงอาบัตจะให้ขาดตกบกพร่อง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 แรมส4บสี่ําำเดือนเจเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระเดือนดับของเดือนเจ็ดแล้วก็วันเพนหน้าเดือน8ปดเพนหน้าเนี่ยอีกจากนี้ไปสองอาทิตย์หรือสองสัปดาห์หรือสองวันพระก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็ให้พระใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านพรรษามา ก, ก่อน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 พวกทีดจะมาพูดถูไถยกันในวันทําสังฆกรรมก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมงพระใหม่พระลูกพระหลานทั้งหลายแล้วก็ให้เตรียมพร้อมทั้งจิตใจด้วยตั้งอกตั้งใจเราเข้ามาบวชในคราวในครั้งนี้เราไม่ได้มาบวชเพื่ออย่างอื่นเรามาบวชเพื่อเป็นบำเพ็ญ เพื่อสร้างกุศลผลบุญให้ตัวเองเป็นอันดับแรกอย่างนั้นก็เพื่อทอิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับตัวของเราเองแต่ก็ตัวผู้มีอุปกรณคุณสําหรับเราคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายผู้มีอุปกรณคุณทั้งหลายในครั้งพุทธกาลมีไหมการ ทำบุญในการทำบุญให้ผู้มีชีวิตอยู่มีลูกทั้งหลายเขาทำบุญบุทิศเขาทำบุญให้พ่อให้แม่ของตอนเองมีอยู่ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าเก็ว่าทำบุญชีวะสังฆทานที่ว่าชีวะผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญให้ผู้มีชีวิตอยู่ท่านได้ยก มาในพระไตรปิฎกในพะระธรรมมัพพทตกถาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันพระเนธันพูดถึงปัจจุบันนกรรมกรรมในปัจจุบันพระพุทธองค์ท่านพูดถึงปัจจุบันนกรรมมีไหมถ้ากรรมหนักก็มีถ้าใครทำกรรมหนักก็จะเห็นผลในปัจจุบันนกรรมถ้าหากว่าอดีตกรรม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 แผ่นดินจะสุกจุดที่หน้าปันไดเพราะทากรรมหนักในปัจจุบันที่ไปปิดทางพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนอื่นอีกล่ะมีไหมมีท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านยกเรื่องนายโคคาดโคาดก็คือคนฆ่าวัวเลี้ยงวัวมาแล้วก็ขาย แล้วก็ฆ่าวัวเป็นอาชีพตั้งแต่เป็นหนุ่มจนอายุถึงห้าสิบห้าปีวัวจะตายไปเท่าไหร่แปลว่าพอฆ่าเจอแล้วก็ชำแหละแล้วก็ขายแล้วก็เอาเนื้อที่ตรงเองต้องการเอาไว้ให้ภรรยาทําอาหารเลี้ยงลูกแปลว่าขาดเนื้อไม่ได้นายโควคาดถ้าไม่ได้กินเนื้อแปลว่ากินอาหารอย่างอื่นไม่ได้ กินเนื้อเท่านั้นกินเนื้อบัวเท่านั้นข้าเป็นอาชีพแต่สมัยน้อยนงจนถึงอายุห้าสิบห้าปีแต่วันหนึ่งนายโคขาดเนี่ยข้าบัวพอข้าบัวแล้วก็เอาเนื้อเนื้อลำก็คงจะเป็นเนื้อที่ตัวเองเคยกินโยนให้ภรรยาไปตัดมาให้ภรรยาภรรยาก็ได้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 ที่มาเยี่ยมบ้านพันยาจะบอกว่ามีอยู่มีอยู่ก้อนเดียวเป็นเนื้อสําหรับเพื่อนของคุณนั่นแหละเดี๋ยวเขากําลังไปอาบน้ําอยู่อทางเพื่อนโอ้ยให้ผมเถอะผมจะไปเลี้ยงแขกแขกมาเต็มบ้านนะทางพรรยาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเพื่อนของคุณ่ะถ้าไม่ได้กินเนื้อมันกินไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอ วันเดียวหนึ่งครั้งเดียวเดี๋ยวผมขอไปเลยผมมีความจำเป็นมากที่จะเอาเนื้อไปเลี้ยงแขกคนที่มาบ้านของผมพอวาดนั้นก่อนคงจะเอาเงินวางให้แล้วก็คงจะหยิบเนื้อไปเลยนะคงจะลักษณะอย่างนั้นนะแบบขอไม่ให้ก็เอาไปซึ่งซึ่งหน้าเลยนะถือว่าวิสาสะนะพอเอาไปเสร็จแล้วกับพันยาคนนะ่ะคงจะทำน้ำพริกผักลวกมาให้ พ่อบ้านกิน嘛พอพ่อบ้านมาถึงแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาเอา้าไม่มีเนื้อหรือแไม่มีเพื่อนของคุณเอาไปเลยโดยวิสาสะเลยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะทํำยัำยงไงได้เข้อเอาไปแล้วโอ้ไม่ได้ละข้าไม่เคยกินอย่างนี้ถ้าขาดเนื้อไม่ได้ข้าต้องกินเนื้อเท่านั้นพ่อว่าท่านกะลงเอาถือมีดที่เฉือน เนื้อนี่ยหลงไปไปก็ไปเห็นหวัวเอที่เขาเลี้ยงไว้ก็จ้านาํามาฆ่านั่นนะมันอยู่ที่หลังบ้านของเขากําลังกินหญ้าอยู่พอไปถือเขาก็มือล่วงเข้าไปในปากของมันไลยพอมือล่วงเข้าไปในปากกำลิ้นมันเลยนะมันก็อ้าปากที่พวกกำลิ้นมันอย่างแรงอ่ะพวกาากำลิ้มามีดตัดโคนลิ้นเลยพอตัดโคลลิ้ก็ตัดเละาะออกมาเลยฮ ไปว่าได้ลิ้นของมันเต็มกรรมเลยมาก็มาโยนให้พัญญาไปทำอาหารบัวตัวนั้นก็โอ้โหเลือดมันออกเออมันร้องมันไม่รู้จะเจ็บยังทั้งร้องก็ไม่ออกแล้วมันเจ็บมากมตัดลิ้นของมันเออทุรนทุรายทุรนทุลายผลสุดมันก็ตายเหมือนกันนะนายโคคาดเนี่ยก็ให้พัญญาไปทำอาหารพอทำอาหารเสร็จแล้วก็ ตักพมาใส่จานเนี่ยนะครับหันหันหันเป็นใส่จานพอเอาลิ้นวัวเข้าไปใส่ลิ้นตัวเองเท่านั้นอะ่ะพอแตะลิ้นเท่านี้นะลิ้นตัวเองขาดเลยทน่นี้ขาดออกมาเลยเนี่ยนะปัจจุบันนกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันพอแตะเข้าไปเท่านั้นลิ้นขาดเลยนะถ้าลิ้นวัวขาดตัวเองก็ไม่รู้สึกใช่แต่พอลิ้นตัวเองขาดเท่านั้นแหลทะที่เนี้ รู้สึกเลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเนี่แหละปัจจุบันกรรมกรรมให้ผลพอจากนั้นพอลิ้นขาดเท่านั้นแหละนายโคขาดก็โ้หร้องไม่เป็นเสียงคนเลยท่นี่มันเสียงวัวเลยคานสี่ขาเลยท่นี่เลือดก็ไหลในปากอ่ว่าจะตายได้คานไปคานมาอยู่นั่นล้องอยู่นั่นลูกเมียปิดประตู ทั้งลูกนเก็เป็นลูกชายกำลังเป็นหนุ่มยืนดูพ่ออยู่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงยืนดูพ่อแม่ก็เลยบอกว่าลูกไปหนีไปเถอะไม่ต้องอยู่หรอกเดี๋ยวบาปกรรมตอนนี้มันจะตามสนองมันจะถึงเจ้าอีกพ่อเจ้าน่ะ เ, เป็นลูกให้เจ้าหนีจะหนีออกไปไปไกลๆนะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่ จะทำยังไงได้พ่อเจ้ามันทำสิ่งที่มันไม่ดีเห็นเห็นนีท่านะลูกนะหนีไกลๆนะลูกชายก็ไม่รู้จะว่าจงไงเห็นพ่อป่วยแต่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวบาปกรรมที่พ่อทำเนี่ยจะตกในกระหม่อมของเจ้าเจ้าต้องหนีให้ไกลหะแค่แค่ว่า ก, กลัวบาปกรรมพันธุกรรมปฏิจะพันไปถึงเขาอีกไปถึงลูกอีก แม่รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกอย่างมากแนะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงแม่ให้หนีทางลูกชายเนี่ยกหมไหว้พ่อแล้วก็กราบแม่แล้วก็ได้เครื่องที่จะเดินทางแล้วก็เปิดเลยตรงนะั้นเลยเปิดแหนบไปไปที่ไหนไปเรียนศึกษาหาวิชาความรู้เมืองตะกัศิลานะ่ะพอไปถึงเมืองตะกัศิลาทีนี้ก็ ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับตีทองเป็นช่างทองนะไปก็ไปทาเป็นช่างทองช่างทองเขาก็ตีทองกับเขาพอสมควรเขาก็อเอาวันหนึ่งวันหน้าเท่าแก่ช่างทองจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่เขาก็ เ, าเลยให้ลูกน้องไปตีทองแทนเรานะพอกลับมามาเห็นฝีมือของลูกน้องตีทองโอ้โหไอ้นี่มันไม่แพ้เราเลยเนะี่ย ฝีมือของเขาเยี่ยมยอดเยี่ยมมากอนะหนุ่มเนี่ยนะถ้าว่าเขาไปอยู่นสถานที่ใดเขาจะต้องเลี้ยงตัวได้สบายเลยเนะฝีมือระดับนีนะ้จากนั้นเขาก็มอบลูกสาวให้เป็นพัญญนยะาแต่นั้นพ่อช่างทองตัวนี้นก็เป็นช่างทองในเมืองตะกัศิลานะจากนั้นก็มีลูกหลายคนลูกก็เลยนะมาอยู่กรุงสวัสดีนะ มาก็เนี่ยแหะเป็นล้านทองก็เลยบอกเอ๊พ่อของเราเนี่ยพวกเรามาอยู่ที่เมืองสวัสดีกรุงสวัสดีเนี่ย เ, เราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เราไปวัดฟังเทศฟังธรรม ท, รมทุกวันพระองค์แสดงธรรมให้ฟังแต่ว่าพ่อของเราเนี่ยไม่มีศรัทธาเราก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาไม่เคยทําบุญทำทานที่เลย เราควรจะบอกพ่อของเรามาจากเมืองตะกะิีลามาอยู่กรุงสวัส์ถีด้วยดีไหมพวกลูกทั้งหลายก็ได้ไปบอกพ่อมามาอยู่ที่กรุงสวัส์ถีกับลูกชายแต่ถึงยังไงก็ไม่มีศรัทธานะอยู่เฉยๆไม่ได้สนใจลูกก็บอกว่าให้พ่อไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลทางผู้พ่อเนี่ยก็ไม่มีเวลา ไปวัดสู้อยู่บ้านไม่ได้ไม่ไปทั้งลูกทั้งเอเราจะทำยังไงจะให้พ่อของเราเป็นสัมมาทิฏฐิไงพวกเราจะทำยังไงก็ปรึกษาปารบกันเถอลูกทั้งหลายเถอที่บ้านหลังใหญ่ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านของเราแล้วก็ให้พ่อของเรามาฟังธรรมฟังเทศด้วยฟังเทศฟังธรรมด้วย จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กล่าบพระพุทธเจ้าพ่อของเราจะได้เป็นสัมมาทิฐิเป็นผู้สร้างปุญสร้างกุศลจะได้เขาได้บ่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยของคนกลุ่มนี้เนะี่ยว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยถ้าไปจะได้สําเร็จสําเร็จมรกสําเร็จผลองค์ก็รับ จากนั้นวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์พวกลูกทั้งหลายก็ทําบุญถวายพัฒหานพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์พอกราบพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกข้าพระองค์กราบทูลพระพุทธองค์มารับนิมนต์ถวายพัฒหานในคราวนี้ถวายให้คุณพ่อครับผมอยากจะให้คุณพ่อครัผมได้ทําบุญ เป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อทําบุญวันเกิดนะครัพูดอีกแนวหนึ่งนะอยากจะให้คุณพ่อได้ทําบุญทําบุญถึงผู้มียังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค้านะี่ยพระพุทธองค์ก็หลับฉันพระตาหารพอฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพระพุทธองค์ก็เทศอะไรเทศให้นะี่พ่อของนายพกคณะลูกหลานช่างทองนะบอกอุบาสก เธออายุมากเลยนะแก่แล้ว อ, อไม่รู้ว่ายมมาโทษจะนำโยมไปเมื่อไหร่ไปปรโลกภายภาคนาได้เตรียมพร้อมอะไอย่างจะเบี่ยงเดินทางฮะจะเบี่ยงเดินทางได้เตรียมพร้อมอะไอย่างและอีกนานเท่าไหร่ถ้าจะไปพักที่ไหนเวลาเดินทางได้คิดไว้ไฮะเออเท่านั้นแหละเทเนี่เขาก็สะดุ้งขึ้นมาเลยทเนี้เออแปลว่า คนที่มีความคิดอยู่แล้วนะเขาคิดขึ้นมาอือชายจริงออย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะท่านต้องเดินทางไกลนะพระองค์วัเทศจบกันที่หนึ่งอพระองค์ก็กลับวัดเชตตะวันพอวันลุงขึ้นลูกชายลูกสาวเนี่ยนิมนต์อีกเขออีกนิมนต์อีกเป็นวันที่สองโดยเถื่อนพระเจ้าขานะเพื่อจะให้เทศโปรดยมพ่อพระองค์ก็รับ รับมาเขาในประเทศอีกวันที่สองนโยมพ่อของเขาได้สำเร็จจนถึงขั้นพระอนาคามีนะที่แรกพระโสดาบันแต่พระรองค์เทศภูมิของพระรหันธ์นะที่ว่าเทศภูมิพระรหันธ์ให้ฟังแต่ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเหมือนกับพระองค์เนี่ยทำคำข้าวให้ใหญ่เท่ากับพ่อเนะ แต่ว่าลูกเนี่ยมันตัวเล็กมันรับไม่ได้รับได้เท่าที่จะรับได้เพราะปากเล็กแต่ว่าธรรมเทศนาในวันนั้น่ะพระพุทธองค์เทศเป็นพระอรัตผลเลยแปลเทศอย่างสูงสุดให้พรามคนนั้นฝังกับพร้อมลูกๆแต่พวกลูกๆ ก, กับพรามได้สำเร็จเป็นเพียงพระอนาคามีพราม์ในพระอนาคามีนั่นแหละอันนี้ก็คือ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 แต่ที่เป็นนายโคคาดเทว่าลูกชายที่หนีออกจากบ้านนะันให้คล้ายกับว่าดูดูแล้วก็นั่นนะไม่รู้จะทำยังไงมันสุดวิสัยที่ลูกจะช่วยเหลือพ่อได้ถึงไงก็ตายแน่ๆคานไปคลานมาอยู่นะสีขานะ่ร้องเหมือนกับวัวเนะีนะ่ยนี้ก็หนีออกไปจนไปถึงเมืองตกนะกัิราจากนั้นก็ได้ไปตั้ง โรครากที่เมืองตักกศิลาจนมีลูกขึ้นมาหลายคนแต่ลูกทั้งหลายเนี่ยเป็นอภิชาติบุตรท่นีออ่นับว่าเป็นผู้มีบุญทีเดียวเออร่งกราบพระรานาพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาที่บ้านของตัวเองจากนั้นก็ได้ทําบุญให้พ่อพ่อก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยจนได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแปลว่าเป็นผู้ เป็นผู้ไม่ตกต่าพูดง่ายๆคือพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ามีแต่ก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่นอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วแปลว่าผู้ไม่แน่นอนพร้อมที่จะไปตกนรกไปตกเอาวเวจีหมหานรกได้แต่ส่วนนายโคขาดที่ว่านะนะที่คลานไปคลานมาใช้คำถึงเ็ดวันนะผลในที่สุดพอตายไปแล้วก็นอน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 คิดในทางกุศลหนึ่งก็ดี2ก็ดีสก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรจะส่งเสริมให้มากขึ้นเรื่อยเพราะกุศลเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขกายสุขใจเกิดพบหน้าชาติหน้ากรรมดีทั้งหลายก็จะให้ผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข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 จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกพ่อหลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้สอนเรื่องกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพวกเรามาคราวนี้มาอยู่ในวัดวาศาสนามาวัดอยู่วัดหลวงพ่อมาสร้างกรรมดีมาสร้างบุญมาสร้างกุศลมาเพื่ออบรมทางด้านจิตใจมาเพื่อ สั่งสมให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นโยมที่ดีเป็นคนที่ดีเมื่อความดีเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหละเออเราอยู่นัตสถานที่ใดไปนสถานที่ใดเราก็มีหลักจิตหลักใจเพราะเราคิดเอ่ทำพูดมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นถ้าคิดพูดทำชั่วนั่นแหละกรรมชั่วจะเข้าไปตามเหมือนกับนายโค ข, ขาด นั่นแหละใครจะช่วยเราได้เมื่อถึงจุดนั้น เ, เราก็ต้องไปตามกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้แต่บางท่านบางคนเราเห็นเอ๊ะเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่เราเห็นมีแต่เรื่องหายณนะมาลุมมาตุ้งเขามีแต่เรื่องระทมทุกมีแต่เรื่องไม่พึงปรารถนาเข้ามาสู่เขาเป็นเพราะอะไรถ้า หลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือธนว่าอดีตกรำกรรมในอดีตของเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีในอดีตเพราะนกรรมในอดีตจะให้ผลมาเป็นละลอกละลอกละลอกมาถึงชาตินี้ก็นั้นะทั้งที่ตัวเองถึงจะทํากรรมดีในปัจจุบันแต่ไม่สามารถที่จะหักล้างกรรมในอดีตที่ตนเองได้ทําไว้ในอดีตได้กรรมในอดีตมาให้ผล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 ผู้ที่ไม่เคยผู้ที่เข้ามาใหม่เราก็กราบผ้าเะาก่อนขึ้นไปที่นอนของเราหมอนอยู่ทางไหนเราก็ใส่ชุดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าให้เรียบร้อยให้มีผ้า ม, มีเสือ้อแต่งชุดให้เรียบร้อยจากนั้นก็กราบไปทางหมอนเราไม่มีประพุทธโลกก็ได้แต่มีประพุทธโูกก็ได้ไม่มีประพุทธรูกก็ไม่เป็นไร เรากลาบพระพุท ธ, ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบกราบครั้งหนึ่งพุทธโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบครั้งที่สมสังโฆแล้วปนมือขึ้นบนศีรษะนิพพานังข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเพื่อเล่นไม่ได้กราบเพื่ออย่างอื่นไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธี เรากลาวเพื่อหวังพระนิพพานฮ ะ, ะเพราะว่าเรามาทั้งทีขนาดนี้จะมาเล่นๆได้ยังไงเราหวังพระนิพพานคือการไม่มาเวียนไห้ตายเกิดเราต้องการทำอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็ไหว้พ่านอารหังสมาัมพททพพาิพุทโธพระขาวพุทธทางพระาวันตังอภิวาตเทมิกลาบ กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็สวาขาโตัวพระขาวตาธโมทำมังน้ำภาษามิกราบไงกราบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปโนพระขาวตัวสาวกัสังโคสังขังหนา ม, ามิกราบกราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นคณะโมตัสสะพระคาวตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้า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 สารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สามจะ ย, ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาในใจท่นี้ใครจะได้มากขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะสวดเท่าที่จะได้มากก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ได้เพียงแค่นี้ก็อนอกจากทกต้องละดีล ะ, ะจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยอาหารสุกิโตมิเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้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 เราไม่ได้ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาลเรามีเมตตาต่อดวงวิญญาณถึงท่านเหล่านั้นแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็นั่งแล้วทีนี้นั่งเหมือนพระพุทธรูปขาขวาทับขาซ้ายนะพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราประนมมือขึ้นระหว่างกกซะก่อนนะประนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธ ธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบเออคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วก็เราจะแผ่เมตตาอีกรอบหนึ่งก็ยังได้บอข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกาธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกๆุดวงวิญญาณด้วยเถิด อันนี้คล้ายๆว่าทำจิตใจให้อ่อนน้อมอถ่อมตนไม่ได้มีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทางหมดในจักรวาลนะเอ้ค้าว่าเราเป็นพิษเป็นสหายาจากนั้นก็เอามือลงแล้วกับกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทพทโทพดโทอะยเงยนะ แต่จไปแต่งลมนะจะไปหายใจแบบฟืดฟาดฟืดฟาดไปเอาหายใจตามปกติหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกรู้วหายใจออกโทนะไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกและไม่ต้องตามลมเข้ามาในปอดเพียงแต่ว่าเรายืนเอาสติจับยู่ที่ปลายจมูกและข้างจมกูกพอลมเข้ามาเราก็รู้ว่าลมเข้าบริกรรมพุทพอลมผ่านออกไป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 ลมกระทบที่ไหนในเมื่อลมกระทบที่ไหนก็เอาจิตจับอยู่ตรงนั้นแหะทีนี้หายใจค่อยคอยค่อยตามปกติหายใจจนปกติอะ้วก็หายใจเข้าพุทธไม่ต้องส่งไปที่อื่นถ้ามันเผลอมันไปที่นี้กลับมาที่เก่าอีกถ้ามันเผลอไปทีงนี้บังคับมาอยู่ด้วยกันตั้งจิตให้แข็งขึ้นไม่ต้องพิงฝาไม่ต้องพิงหมอนนั่งให้โตตรงบังคับ มันจะเจ็บปวดไม่ต้องสนใจมันอดเราสู้อย่างอื่นเรายังสู้ได้เราเล่นกีฬาเหนื่อยกว่านี้เรายังสู้ได้อันนี้มันเพียงแค่นี้เองมันไม่ถึงตายหรอกอดเพียงแค่นี้นั่งถ้าให้ถึงกําหนดไม่ออกสองสมสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงก็ว่ากันไปนี่แหละพิธีการสู้กับทุกเวทนาหลวงพ่อมันหายไหมมานั่งภาวนาเขาว่ามันหายหายจากการเจ็บปวดใช่หายได้ถ้าจิตใจของเรารวมสงบ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 เวลาเราจึงไหว้ครูพทโธธรโมสังโฆซก่อนจากนั้นก็เอามือลงเอามือประสานที่ท้องน้อยอย่าไปไกวแขนอย่าไปมือขัดหลังอย่าไปมือกอดอกเอามือประสานที่ท้องน้อยมือขวาทับมือซ้ายประสานแบบนี้เป็นว่าท่าลำพึงท่าสัมรวมท่าลำพึงหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ไกวแขนขาดความเคารพไม่ให้กอดอกคือโขนเจ้าทุกขเอามือขัดหลังเหมือนกระถา น, นักเลงทันว่าน ถ้าธรรมะผู้สมรวมเนคือมือประสานที่ท้องเห็นแล้วคือในคนนี้คือเดินยังกลบและก็ขาขวาพุธขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติเหมือนกับเราเดินทั่วๆไปเนี่ยขาขวาพุธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถเดินให้นานแต่ละครั้งสองสามชั่วโมงอเดินให้นานเอาจนเหนื่อยพอเหนื่อยขึ้นมาขึ้นมาอีกกราบพระอีก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 พูดโธนะวิธีการปฏิบัตินะลูกหลานทั้งหลายผู้ที่ยังไม่เคยผู้ที่เคยแล้วหลวงพ่อก็เคยเล่าอะไรให้ฟังมากต่อมากนะอันนี้หลวงพ่อพูดผู้ที่ยังไม่เคยก็มีมาสู่วัดของเราเราจะไปพูดแต่เรื่องที่อย่างอื่นก็ไม่ได้นานๆจะย้อนกลับมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเองนี่แหละอันนี้ก็คือวัดวาศ า, ศาสนา เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับเราเลี้ยงลูกนะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาน้านมหยอดปากฮะไม่ต้องเอาข้าวต้มให้กินอย่างกินอย่างอื่นได้แต่มันเกิดขึ้นมาใหม่อะไรทำยังไงละ่ะไปเอาพริกเอาเขือเอาอะไรเอาผักให้กินกินได้เลเด็กฮะเราก็ต้องป้อนข้าวต้มให้กินก่อนเผื่อมันจจใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเลยครับรู้เรื่อง เรื่องเราการอยู่กินนะก็เอาปล่อยไปนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้แหะคณะทย า, ายาทโยมลูกหลานต่อเ น, นี้ไปก็นั่งขัดสมาธินะ่นทีนี้นะแล้วก็หลวงพ่อจะกลับไปที่พักก่อนนะแล้วให้ลูกหลานนั่งสมาธิให้อาจารย์หน่อยพานั่งสมาธิพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปกุฏิแบบนั่งภาวนา อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวก็วด้นะลูกหลานนะเร่งความภากความเพียรมีตัง้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่านะเออข้าพเจ้าขอหมอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อเหตุผลต่อหลักเหตุผลจิตใ จ, จของเราต้องมั่นคงอย่างนั้นนะจะไปทําอะไรหลอๆๆเลาะเลยแหล อ, อถ้าหล่อเลาะเลยแหละมันไม่เห็นอะไรหรอกมีแต่เรื่องทุกข์นั่นนะเพราะนั้นจิตใ จ, จให้มั่นคงเ อ, อมั่นคง ยดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นล่ละพวกเราจะได้รับความสุขความเจริญทั้งทา ง, งด้านจิตใจมีความสุขกายสบายใจลึกๆทีเดียวล่ละจิตใจที่มีหลักเหตุผลนะต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะันีินะ